สานีวิทยุครอบกรัวก่าวสตอร f ร106้กาประจาระมหาใบบุญอาพิปุนโนจากวัดป่าดอนไหยโศกอำเภอดนองอานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านุฟังอยู่เป็นประจำทางสตานีวิทยุแห่งนี้นำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนนี้จะทำให้เรามีความเข้าใจ ในการปฏิบัติมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันมีเหตุตน้นมีผลปลายเป็นอย่างไรอย่างไรราะว่าคำสอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปใ น, ปนทางที่จะเป็นเหตุเป็นผลดรื่มาบัางศา ส, สนาคาสอนที่เป็นเหตุเป็นผลบุคคลในบุคคลหนึ่งจะมีความมั่งคั่งร่ารวยเขา ก, ก็จะต้องสร้างเหตุแห่งความมั่งคั่งร่ารวยนั้นมา บุคคลที่เขาจะเจอความทุกข์ความเผ็ดร้อนความยากจนเขาก็จะต้องสร้างเหตุหองความทุกข์ความเผ็ดร้อนความยากจนนั้นๆเอาไว้เอาไว้แต่มันมีเหตุมันมีผลของมันวันนี้จึงจะนําเรื่องราวที่เป็นประวัติเหตุผลของบุคคลที่เขามีความดีความสุขนั่นคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีบุคคลที่เขามีบุญบารมีมีบุญญาธิการเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ย อยู่สำคัญสําคัญก็ห้าคนหนึ่งในบุคคล น, นั้นคือเมนทกะเศรษฐีวันนี้จะนําเรื่องของบุรพกรรมที่เศรษฐีคนนี้เขาได้ทำเอาไว้ก่อนที่เขาจะมาเกิดอยู่ในภพชาติเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าในครั้งกนันโนนเนี่ยเขาได้ทําบุญบา ร, รมีมาอย่างไรอย่างไรนี่เป็นนิทานในธรรมบทที่ มีการอธิบายขยายความเล่ากันมาอธิบายพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้า ต, ตรัสไว้แล้วก็เอาเรื่องของเมนะทกกาเศรษฐีนี่แหละมาเป็นเรื่องที่จะเป็นการอธิบายนำมาฟังประวัติของเมนะทักกาเศรษฐีว่าท่านสร้างเหตุและมีความพิสดารมีรายละเอียดที่น่าสนใจศึกษากันธรรมาบทแปลเรื่องเมนะทกกเศรษฐี ภาคที่7เรื่องที่191พระศาสดาทรงอาศัยพัทยนครประทับอยู่ณชาติยาวันคือป่ามะลิทรงประรพเมนะทกะเศธธรษฐีพระธรรมเทศนานี้ว่าสุทัสสังวัชมันเยสังอตโนปณ ะ, ะทุทัสสัง ปะเรสังหิโสวัสชานิโอปุนาติยะถาผุสังอัตโนปะณฉาเทติกะลิงวะกิตวาสะโถแปลว่าโทษของบุคคลเหล่าอื่นเห็นได้ง่ายไฟโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคล น, นั้นย่อมโปรโยโทษของบุคคลเหล่าอื่น เหมือนบุคคลโปรยแกลบแต่ว่าย่อมปกปิดโทษของตนเหมือนผานกปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉะนั้นได้ยินว่าเมื่อพระศาสดาสเสดจาริกไปในอังกุตตาปะชนบททรงเห็นอุปนิสัยโซดาปฏิผลของคนเหล่านี้คือ เมนะกาศเศรษฐีหนึ่งภรรยาของเมนะกาศเศรษฐี i, ชื่อว่านางจันทประตุมมาหนึ่งบุตรชื่อชนัญชัยเศรษฐีหนึ่งละยหญิงสะพ้ยชื่อนางสุมนาเทวีหนึ่งและหลานสาวชื่อวิสาขาหนึ่งาดชื่อปุญนาหนึ่งจึงเสด็จไปสู่พัตยานกรประทับอยู่นะชาติยาวัน เมนะตกาเศรษฐีก็ได้ทราบการเสด็จมาของพระศาสดาตอนเหตุที่ได้นามว่าเมนะตกาเศรษฐีถามว่าก็เพราะเหตุไรเศรษฐีนั้นจึงชื่อว่าเมนะตะกเศรษฐีแก่ว่าได้ยินว่าที่หลังบ้านของเศรษฐีมีแพะทองคํา ขนาดเท่าช้างเท่ามา้าเท่าโคอุสภะจำแรกแผ่นดินเอาหลังดุลหลังกันผุดขึ้นในที่ประมาณแดกรีดมีกลุ่มได้ห้าสีอุดปากของแพะเหล่านั้นอยู่เมื่ออยากได้เพใใสัตมีน้ำใสน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นหรืออยากได้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม เงินและทองเป็นต้นก็ดึงได้ออกจากปากของแพะเหล่านั้นจากปากแพะตัวเดียวก็มีในไใสน้ำพึ่งน้ำมันน้ำอ้อยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเงินและทองไหลออกเพียงพอแก่ชาวชมพูทวีปจำเดิมแต่นั้นมาเศรษฐีนั้นจึงได้ชื่อว่าเมณตกะเศรษฐี ถามว่าก็บรุรพกรรมของเศรษฐีนั้นเป็นอย่างไรแกว่าได้ยินว่าในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีเมนะทกาเศรษฐีเป็นหลานของกุดุมพีชื่อว่าอาวะโรชกอมีชื่อพ้องกันกันกบลุงครั้นนั้นลุงของเขา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 ให้ตั้งธรรมธาตุไว้ด้วยเท้าธรรมธาตุนั้นทำด้วยแท่งทองสีสุกแม่แคร่สีด้านก็เหมือนกันและให้ลอแพะทองคำสี่ตัวตั้งรองที่เท้าทั้งสี่แหงอาสนะให้ลอแพะทองคำสองตัวตั้งไว้ใต้ตังสาหรับรองเทา้าให้ลอแพะทองคำหกตัววางล้อมมน ด, ดบ ให้ถักธรร ม, มาตด้วยเชือกได้เส้นเล็กก่อนแล้วจึงให้ถักด้วยเชือกทองตรงกลางแล้วให้ถักด้วยเชือกแก้มุกดาข้างบนพนักแห่งธรร ม, มาต์นั้นทำด้วยไม้จันทร์กรันสร้างศาลาลายเสร็จอย่างนี้แล้วเมื่อจะฉลองศาลาได้นิมนต์พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุห8ล้านแปดแสน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 รันในพัตระกับนี้เกิดในสกุลเศรษฐีมีโปคามากในกรุงพารณาณสีไดนาม่าพาราณสีเศรษฐีตอนเศรษฐีประสบชาตะกายวันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาพบปุโรหิตจึงถามว่าท่านอาจารย์ตรวจดูฤกยาบ้าหรือไม่ปุโรหิต ตรวจดูครับจะทำอะไรหรือเศรษฐีก็แล้วชนบทจะเป็นอย่างไรปุโรหิตจะมีภัยอย่างหนึ่งเศรษฐีภัยอะไรหรือบุโรหิตชาติกาภัยภัยคือความอดอยากท่านเศรษฐีเศรษฐีแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไรอีกสามปีนับแต่บัด น, นี้ไปเศรษฐีเมื่อฟังคานั้นแล้ว ให้คนงานทำกสิกรรมไปทันมากใช้เงินที่มีในบ้านทั้งหมดซื้อข้าวเปลือกอย่างเดียวมาไว้ให้สร้างช้าง1250าช้างใส่ข้าเปลือกจนเต็มช้างทั้งหมดเมื่อช้างไม่พอก็ใส่ไว้ในภาชนะมีตุ่มเป็นต้นจนเต็มข้าวเปลือกที่เหลือให้ขุดหลุมฝังไว้ในแผ่นดิน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 พวกเจ้าไปอยู่ตามภูเขาถ้าอยากจะมาหาเราก็จงมาในเวลาที่พิกษาหาได้ง่ายถ้าไม่อยากมาก็จงอยู่ในที่นั้นเถิดจนเหล่านั้นทาตามที่เศรษฐีบอกมีท่าผู้ทําการรับใช้ชื่อว่าปุณณะคนเดียวคงอยู่กับเศรษฐีจึงเหลือคนอยู่ห้าคนเท่านั้นคือเศรษฐี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 ในเวลาเกิดชาตกาไยคือไั่แล้งนี้มักมีพวกโจรมากดังนี้แล้วจึงปิดฝาสังดินไว้ลำดับนั้นเซตีกลับจากที่เฝ้าพระราชาพูดกับนางว่านางผู้เจริญฉันหิวแล้วมีอะไรกินบ้างไหมหนางไม่ได้บอกสิ่งที่มีว่าไม่มีกล่าวว่านาย มีข้าวสารอยู่ธนา น, นึงเศรษฐีอยู่ที่ไหนล่ะฉันฝังไว้เพราะกลัวถูกขโมยถ้าเช่นนั้นจงขุดมาหุงเถิดก็ถ้าต้มข้าวต้มก็จะพอกินสองมือ้อถ้าหุงข้าวสวยพัดก็จะพอกินมื้อเดียวเท่านั้นจะให้หุงต้มแบบไหนละนายเศรษฐีปัจจัยอย่างอื่นของพวกเราไม่มี พวกเราเมื่อกินข้าวสวยแล้วก็จะตายก็ยอมหล่อนจงหุงข้าวสวยเถอะภริยาของเศรษฐีนั้นหุงข้าวสวยแล้วแบ่งออกเป็นห้าส่วนคดข้าวสวยส่วนหนึ่งวางไว้ตรงหน้าเศรษฐีตอนเศรษฐีถวายพัดแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ในขณะนั้นพระปัจเจก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 จะตรวจดูสถานที่ที่จะได้อาหารแล้วไปอย่างที่นั้นก็ผู้ถวายทานแกพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นในวันนั้นย่อมได้สมบัติเช่นตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นย่าได้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นตรวจดูด้วยทิพปะย่จกสุขคิดว่าช้าตกาภัย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 พระปัจเจกพุทธเจ้าเอามือปิดบาทไว้ที่นั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้าวสุกที่หุงด้วยข้าวทนานเดียวสำหรับคนห้าคนกระผมไม่อาจแบ่งอาหารนี้ให้เป็นสองส่วนขอท่านอย่าทำการสงเคราะห์กระผมในโลกนี้เลย กระผมอยากจะถวายให้หมดแล้วได้ถวายอาหารทั้งหมดครั้นถวายแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอข้าพเจ้าอย่าได้พบชาตกาพยเช่นนี้ในชาติหน้าอีกเลยตั้งแต่บัด น, นี้ไปขอให้ข้าพเจ้าจงสามารถให้ข้าวและอาหารเพียงพอแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหมด ไม่ต้องทำการงานก็เลี้ยงชีพได้เมื่อข้าพเจ้าใช้ให้คนทำความสะอาดช้าง 1,250 ฉาช้างสนานสีสันนั่งอยู่ที่ประตูช้างแงนดูเบื้องบนเท่านั้นสายข้าวสาลีแดงพึ่งตกลงมาจนเต็มทุกช้างและผู้นี้จงเป็นภรยาผู้นี้แลจงเป็นบุตร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 แกพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญจำเดิมแต่นี้ขอดิฉันอย่าได้พบเห็นชาตกกภัยเช่นนี้ในชาติหน้าอีกเลยหนึ่งถ้าเมื่อดิฉันวางถาดอาหารไว้ข้างหน้าให้อาหารแก่ชาวชมบูทวีตทั้งหมดถ้าดิฉันยังไม่ลุกขึ้นตราบใด ขออาหารตรงที่ดิฉันตักแล้วตักแล้วจงเต็มอยู่อย่างเดิมตราบนั้นท่านนี้แหลจงเป็นสามีผู้นี้แลจงเป็นบุตรผู้นี้แลจงเป็นหญิงสะใภ้ผู้นี้แลจงเป็นทา่าของดิฉันฝ่ายบุตรของเศรษฐินั้นก็ถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไป ขอข้าพเจ้าจะได้พบเห็นฉาทกะัยเช่นนี้อหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าถือถุงกระหาปณะหนึ่งพันให้กระหาปณ ะ, ะแก่ชาวชมพูทวีปทั้งหมดขอถุงนี้จงเต็มอยู่เช่นเดิมท่านทั้งสองนี่แลจงเป็นมารดาบิดาผู้นี้จงเป็นภรรยาผู้นี้จงเป็นทาสของข้าพเจ้า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 ขออย่าได้เกิดความหมดสิ้นท่านทั้งสองนี้แลจงเป็นแม่ผัวและพ่อผัวผู้นี้แลจงเป็นสามีผู้นี้แลจงเป็นทาตของที่ฉันส่วนทาตของเศรษฐีนั้นก็ถวายส่วนของตนแกพระปัจเจกพุทธเจ้าและตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมแต่นี้ไปขอข้าพเจ้า อย่าได้พบเห็นชาตกกภพยเช่นนี้เลยคนทั้งหมดนี้จงเป็นนายและเมื่อข้าพเจ้าถ่ายนาขอให้เกิดรอยเจรอยเท่าเรือกลโนนคือข้างนี้ส0 0รข้างโน้นส0 0รในท่ามกลางหนึ่งวันนั้นถ้านายปุณณนะปรารถนาตำแหน่งเสนาบดีก็จะได้สมปรารถนาทีเดียว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 ให้เลื่อมสายยิ่งขึ้นดังนีน้แล้วจึงอธิฐานว่าขอให้ชนเหล่านี้เห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาศแล้วได้หออไปคนเหล่านั้นได้ยืนแลดูอยู่ทีเดียวพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไปแล้วได้แบ่งพัดนั้นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าห้ารอยองค์ด้วยอนุภาพ แห่งพระปัจเจกพุทธชานนั้นพัดนั้นเพียงพอแก่พระปัจเจกพุทธช่างทั้งหมดคนเหล่านั้นได้ยืนมองดูอยู่ตลอดตอนอันนี้สงของการถวายทานเมื่อเลยเวลาเที่ยงภรรยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวแล้วปิดฝาหว่างใบฝ่ายเศรษฐี ถูกความหิวบีบคันจึงนอนหลับไปเมื่อตื่นขึ้นในเวลาเย็นเซตีกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญฉันหิวเหลือเกินมีข้าวตังเหลือติดก้นหม้อบ้างไหมภรรยานั้น ท, ทั้งทั้งที่อยู่รู้ว่าตนล้างหม้อตั้งไว้ก็ไม่ตอบว่าไม่มีคิดว่าเราไปเปิดหม้อข้าวแล้วจึงจะบอก ใ น, นนี้แล้วจึงลุกขึ้นไปยังที่เก็บหมอ้อข้าวเปิดหมอ้อข้าวแล้วทันใดนั่นเองหมอ้อข้าวเต็มด้วยพัดมีสีดุดดอกมะลิตูมได้ดุนฝาหมอ้อขึ้นมาภรรยานั้นเห็นพัดนั้นแล้วเกิดปีติสซ่านทั่วตัวลาวกาเษตีว่านายลุกขึ้นเถอะ ดิฉันล้างหม้อข้าวปิดไว้แต่หม้อข้าวนั้นเต็มด้วยพัดมีสีดุจ ด, ดอกมะลิตูมบุญควรทำจริงๆทานควรให้แท้ๆเชิญลุกขึ้นมารับประทานเถิดนายภรรยานั้นก็ได้ให้พัดแก่บิดาและบุตรทั้งสองเมื่อบิดาและบุตรนั้นบริโภคเสร็จแล้วนางจึงนั่งบริโภคกับลูกสะพ้ย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 จงมารับเอาคนทั้งหลายรับเอาข้าวและอาหารจากเรือนของเศรษฐีนั้นแล้วเพราะอาศัยเศรษฐีนั้นชาวชมพูตวีปทั้งสิน้นจึงรอดตายแล้วแหละตอนเศรษฐีและคณะไปเกิดที่พัตยานกรเศรษฐีนั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในเทวโลก บนเวียนเกิดอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุพ ป, ปะบาทการนี้เกิดในสกุลเศรษฐีในพัฒยานกรฝ่ายภรรยาของเขาก็เกิดในสกุลมีโภคามากเมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้ไปสู่เรือนของท่านเศรษฐีนั้นนั่นแหละแพะที่มีคุณสมบัติดังกล่าว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 สนานศีศษะแล้วนั่งที่ประตูช้างแงนดูท้องฟ้าช้างทั้งหมดก็เต็มด้วยข้าวสาลีแดงดังที่กล่าวมาเศรษฐีนั้นอยากทดลองบุญของชนที่เหลือด้วยจึงบอกแก่ภรรยาและบุตรเป็นต้นว่าเธอทั้งหลายจงทดลองบุญของตนดูบ้างดำนั้นภรรยาของเศรษฐีนั้น แต่งตัวพร้อมแล้วเมื่อมหาชนกำลังมองดูอยู่นั่นแหลใช้ให้คนตวงข้าวสารให้หุงข้าวสวยด้วยข้าวสารเหล่านั้นนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้ที่ซุ้มประตูถือถ้วีทองคำแล้วให้เป่าร้องว่าผู้ต้องการพัดจงมาแล้วตักใส่จนเต็มภาชนะ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 ในระหว่างทางถึงถูกพว้เดรติยห้ามว่าก้าพบจ้าท่านเป็นกิจิยาวาทะคือผู้กล่าวว่ากรรมอันบุคคลทําแล้วเป็นอันธรรมจะไปหาพระสมณโคตรมผู้เป็นอกิริยะวาทะคือผู้กล่าวว่ากรรมอันบุคคลทําแล้วไม่เป็นอันธรรมจะไปหาทําไม เศรษฐีนั้นก็ไม่ได้สนใจคำของเดรรทีเหล่านั้นไปถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งน้าที่สมควรข้างหนึ่งตอนโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสอนุบุพพิกถาแกเศรษฐีนั้นในเวลาจบเทศนาเศรษฐีนั้น บรรลุโสดาปฏิผลแล้วกราบทูลพระศาสดาถึงข้อที่เดรัจฉ์กล่าวตีเตียนและห้ามไม่ให้มาเฝ้าดังนั้นพระศาสดา จ, จึงตรัสกับท่านเศรษฐีนั้นว่าก็ดับดีขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ไม่เห็นโทษของตนแม้มีมากเที่ยวโปรยโทษของคนอื่นแม้ไม่มีก็ทํามไม่มี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 เหมือนพรานนกปกปิดร่างด้วยเครื่องพรางกายฉะนั้นบาลีว่าสุทัสสังวัชมันเยสังอัตโนโปะนทะุทัสสังเปเรสังหิโสวัชานิโอปุนาติยะถาูุสังอัตโนปะนะชาเทติกะลิงวะ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 ปรเรสังอิกแปลว่าของคนอื่นหมายความว่าด้วยเหตุดังกล่าวบุคคลนั้นจึงโปรโยโทษของคนอื่นในท่ามกลางสงรงเป็นต้นเหมือนบุคคลยืนบนที่สูงแล้วโปรโยแกลบลงมาฉะนั้นคําว่ากะลิคืออัตภาพในคําว่ากะลิงวะกิตวาสะโถเหมือนปราณ น, นก ปกปิดร่างด้วยเครื่องปรางกายฉะนั้นนี้ด้วยสามารถทาร้ายพวกนกได้เครื่องปกปิดมีกิ่งไม้ที่พอหักได้เป็นต้นชื่อว่ากิจตาวาคือเครื่องปรางกายพรานนกชื่อว่าสะโถพรานนกนั้นมีคําอธิบายว่าพรานนกประสงค์จะจับนกฆ่า จึงปกปิดร่างกายด้วยเครื่องปกปิดฉันใดเขาก็ปกปิดโทษของตนฉะ น, นั้นในเวลาฉบเทศนาคนเป็นอนันมากไม่รู้โจดาปฏิปนเป็นต้นแล้วแหละเรื่องเมนะตกะเศรษฐี